ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่14โดยหลวงพ่ อ, อินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18ก ร, รกฎาคม2552มีชื่อเรื่องว่าฝูงนกกระจาบกับลิงปลูกต้นไม้พี่น้องชาวบ้าน ที่มาใส่บาทหลวงพ่อวันนี้ก็คงจะแปลกใจโอ้ลูกหลานทำไมหนุ่มๆรุ่นๆทำไมเห็นเข้าวัดมากเหลือเกินวันนีนะ้พวกเราก็คงจะสงสัยเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อจะแจ้งข่าวให้ทราบนะนี่คือทางสภาพัฒน์นะเนี่นเขียนเป็นหนังสือออกมาเนี่ยโครงการฝึกอบรมทีมอนาคตรุ่นที่สอง ไม่ใช่ทีมปัจจุบันนะทีมอนาคตว่างั้นเถะคือเป็นผู้ที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตอันใกล้นี่แหละตั้งแต่วันพุ่งนี้มาลื่อนี่แหละเป็นต้นไปะระหว่างวันที่17เจกรกฎาคม2552ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่มีอายุราชการไม่เกินสมปี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ของสำนักงานสสอชอสเสือ ส, อสลาชช้างซึ่งมีดออรอัพมพลกิติอัมพลเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะเดินทางมาในครั้งนี้มีดร สุทินลีปิยชาติผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะเป็นหัวหน้าคณะและนายมนตรีบุญพาณิชย์เนี่ยี่เคยมาเนี่ยวัดของเราครั้งก่อนนะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเสียงเหนือและก็ น, นายธีระวรพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการ สผ อ, อ, อ, อเป็นผู้ประสานงานในโครงการนี่แหละที่มาในวันนี้สรุปแล้วก็คือสภาพัฒนาที่จะเขียนแผนพัฒนาประเทศชาติจะให้ประเทศชาติของเราจะเดินไปในทางไหนนะก็นี่แหละกลุ่มนี่แหละอกลุ่มหัวสติปัญญาทั้งหลายนี่แหละลูกหลานกลุ่มนี้แหละจําเป็นผู้วิเคราะห์ ว่าประเทศชาติขณะนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงชาติเป็นยังไงาศาสนาเป็นยังไงตลอดถึงการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเป็นยังไงพวกท่านเหล่านี้จะได้ออกมาวิเคราะห์เพราะนั้นวันนี้ลูกหลานทั้งหลายก็ได้มาดูวัดหลวงพ่อเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน เ, ออเป็นแนวความคิดอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน เพราะว่าจะได้เห็นพี่น้องประชาชนเขาอยู่กันอย่างไรในชนบทแล้วพี่น้องกลุ่มในเมืองหลวงเป็นยังไงในการเป็นอยู่ของเขาพี่น้องชนบทเขาอยู่กันอย่างไรพระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองท่านทําอย่างไรพระสงฆ์ที่อยู่ในชนบทการเป็นอยู่ของท่านทําอย่างไรล้วนแล้วจะเป็นการทัศนศึกษาทั้งนั้นเพราะเราจะได้นําสิ่งเหล่านี้ลไปวิเคราะห์ สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดทุขทิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะเลวทั้งหมดมีดีมีเลวและก็มีแนวความคิดที่พวกเราได้มาพบมาเจอมาเห็นแล้วก็อย่างที่วัดวาศาสนาการเป็นอยู่ของวัดแต่ละวัดแล้วก็สาธารณะอย่างนี้ท่านรักษาอย่างไรท่านดูแลอย่างไรจึงจะเรียบร้อย แล้วเราจะนำไปไประยุก์ใช้อะไรบ้างนี่แหละอันนี้ก็คือที่มาทัศนศึกษานะแต่ถ้าว่ามาศึกษามาดูแล้วไม่ได้สังเกตหลับหูหลับตามาไปก็หลับหูหลับตาไปไปที่ไหนก็ไม่ได้รับความรู้ความฉลาดทั้งนั้นหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นให้ลูกหลานทุกคนนะที่มาสู่วัดวาศาสนาก็ขอให้พวกเรา สังเกตไปที่ไหนเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องการพวกผู้นําถ้าว่าผู้นำมีผู้นําที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญแต่ถ้าผู้นําไม่ดีแล้วมีแต่ความคิปหายนําไปหาหายยนะักเพราะงั้นแหละผู้นำเลยสําคัญเนะีเหมือนกับรถไฟนั่นแหละถ้ารถไฟมันเดินตามรางไปเมื่อถึงจุดหมายปลายทางถ้ารถไฟมันออกนอกดูนอกทางหัวมันพาไปทั้นนะั้น หามาันก็ไปตามด้วยเพางั้นเถอะตกเหนียวตกบ่อไปเรื่อยหายย น, นะเข้ามาในคนในชุมชนนั้นเหมือนกัน เ, เพราะนั้นหัวหน้า เ, นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญผู้ที่ออกเขียนแบบที่แรกนี่แหละให้ประชาชนเดินตามแบบตามแผนนี่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามนะความพร้อมเพียงสามัคคีคนในชาติ น, น, นี่คือจำเป็นอย่างมากไม่ว่าหลักไหนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า ความพร้อมเพียงของหมู่คณะเกิดสุขนะความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขความพร้อมเพียงของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเกิดสุขนะถ้าว่ามีความแตกแยกสามัคคีกันแล้วอย่าหวังเลยจะหาความสุขไม่ได้อย่างร่างกายของเราก็เหมือนกันตั้งแต่หัวจุดเท้านี่ยแต่เส้นผมมันล่วงมันหล่นเท่านั้นอนะ่ะมันไม่สามัคคีไม่เป็นตามทีเ่เราอยากจะให้เป็นเพียงแค่นั้นละ่ะเอ่ ความหายนตก็เข้ามาแล้วนะเพราะนั้นความพร้อมเพียงสามัคคีกันเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างมากถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้วัดวาศาสนาใดก็ตามสมาคมใดก็ตามถ้าว่าแตกสามัคคีกันแล้วจะหาความผาสุขไม่ได้ในชนกลุ่มนั้น อย่างประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนะี่ย่ะที่ผ่านๆมาเป็นยังไงแต่ยุคก่อนสมัยหลวงพ่อมาอยู่วัดนี้ในถิ่นนี้เขาก็ว่าเป็นถิ่นฐานของพอกคอสมัยนั้นเกือบจะว่าเป็นสีแดงเถือกนังงันเออำเภอณัฐสมนายุงพวกลูกหลานรุ่นที่หลุดรุ่นยังไม่เล็กมาก คงจะได้ยินได้เอาเอาวุธมาถลุงถล่มกันในที่นี้แต่บัดนี้ก็ความคิดเห็นนั้นก็จืดเจือด จ, จางไปแต่เข้ามาอีกก็มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอีกแต่ทุกยุคทุกสมัยถ้าหากว่าเราสังเกตดูแล้วถ้าคนในชาติบ้านเมืองของเราไม่มีความพร้อมเพียงหรือว่าแตกในความคิดเห็นแล้วจะหาความสงบลมเย็นเป็นสุขไม่ได้ ในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกบินลพัฒน์เป็นเชื้อพระญาติพระวง์ของพระพุทธเจ้าแต่ในพวกญาติวง์ของพระองค์ทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ําคือแย่งผลประโยชน์กันพระพุทธองค์บอกว่าญาติทั้งหลายถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายแย่งกันเนี่ยแย่งผลประโยชน์กันเนี่ยพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีกันแล้วกัน ไอ้ผลประโยชน์ที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับเนี่ยกับพวกท่านทั้งหลายฆ่ากันน่อันไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันถ้าว่าการฆ่ากันเนี่ยเสียผลประโยชน์มากนะแอบแล้วก็เอาคืนไม่ได้อีกส่วนผลประโยชน์ที่พวกท่านจะได้รับเนี่ยคือแบ่งน้ากันให้ทั่วถึงหรือว่าแบ่งกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะรวบเอาคนเดียวทั้งหมดคนอื่นเขามองดู ตัวเองอยู่เฉยๆนะ่ะมันไม่ถูกนะต้องแบ่งกันการแตกแยกสมัครีกันไม่เป็นผลดีต้องพร้อมเพียงสมัครีกันคนในชาติพวกกลุ่มญาติของเราจึงจะผาสุขได้จากนั้นพระองค์ก็ได้ยกเป็นชาดกขึ้นมาชาดกคือเป็นการสอนบอกว่าที่ในครั้งพุทธกะในอดีตชาติเป็นชาดกสมัยหนึ่ง มีนกกระจาบฝูงหนึ่งอยู่หากินอยู่ในป่านะแต่นกกระจาบฝูงนั้นมีจ่าฝูงอยู่ตัวหนึ่งมันก็บินพาหมู่พวกเพื่อนหากินอยู่ในท่งยาแต่วันนั้นคาวนั้นมีพรานกพลานกคือพวกดักตาข่ายไปดักเห็นนกกระจาบลงเขาก็เอาตาข่ายไปดักพอไปดักนกกระจาบก็มาก็ลงไปกิน พอกิน้มันก็กระตุกตาข่ายขึ้นอแต่หัวหน้านี่หัวหน้าฉลาดหัวหน้านกกระจาบบอกเออถ้าว่าเห็นตาข่ายขึ้นมาแล้วถ้าว่าเราถูกตาข่ายพอเรามองไม่เห็นถ้าว่าถูกตาข่ายขึ้นมาแล้วให้พวกเราเอาหัวสวมข้อตาข่ายแล้วก็ บ, บินพร้อมกันนะเราจะเป็นคนสั่งเองฮคือหัวหน้า เป็นผู้สังเกตในหัวหน้าที่จําเป็นสําคัญนะคือหัวหน้านี่ไปที่ไหนที่จะคุ้มครองลูกน้องได้เนี่ยต้องสังเกตต้องใช้ปัญญาจะเดินยังไงจะก้าวยังไงจะทํำยังไงหัวหน้าเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากอในหลักว่า ง, งั้นเถะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนกขนาดนกกระจาบก็ยังมีหัวหน้าว่า ง, งั้นเถอหัวหน้าก็บอกว่าอถ้าหาว่าลงไปแล้วถ้าเจออย่างนั้นขึ้นมาแล้วต้องปฏิบัติต่างนี้นะ พอต่อมากกัมีจริ ง, รงๆเหมือนกันแต่เขาชักตาข่ายคือมานกกระจาบภูกนั้นก็เอาหัวสอดเข้าในตาข่ายกับินมันก็บินขึ้นไปพร้อมกันตาข่ายของนายพรานก็ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นกทั้งหลายก็มุดกรอดลงมาข้างล่างมันก็ต่างตัวต่างบินไปปลอดภัยสองสามครั้งทำอย่างนั้นนายพรานไปว่าบินขึ้นไปต้นไม้ไปเก็บกู้าตาข่ายที่นกบินขึ้นไป เยากทุกยากลําบากแต่ละครั้งเหมือนกันแต่แต่พอต่อมาทีนี้พอต่อมานกฝูงนั้น่ะออตัวหนึ่งบินลงไปก่อนตัวที่สองลงไปไปเหยียบไปเหยียบ ห, หลังตัวนั้นพอเหยียบหลังตัวนั้นตัวนั้นก็โมโหขึ้นมาทีนี้ทะเลาะเหมือนกันทอยทะเลาะขึ้นมาพอ น, นกตัวนั้นทะเลาะขึ้นมาทีนี้กันแบ่งแยกพวกกันนะทีนีว้ว่าก็ตัวนั้นผิดตัวนี้ถูกไม่น่าจะเหยียบหลังเขาก็เห็นเห็ น, หนอยู่แล้ว แต่ตัวนั้นก็บอกว่าลงไปมันบังเอิญมันก็ไม่ได้ดูละเอียดมันถลาลมลมพัดลงไปมันจึงไงก็ขออภัยเถอะไม่มีเจตนาแต่ตัวนั้นก็ไม่ให้ไม่ให้อภัยต่างพูดก็ต่างทะเลาะกันเป็นพักเป็นพวกขึ้นมานกที่เป็นหัวหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ไม่ได้ท่านเราขืนก็นอยู่กับพวกนี้ลงมาเราจะต้องหายนะเน่แนเพราะพวกนี้มันทะเลาะกันแล้ว คือหัวหน้าฝูงก็เลยปีกตัวงั้นหลบหนีกลางคืนไปหาที่อื่นแต่นกฝูงนั้นก็ทั้งถีทะเลาะกันนะ่ะก็ยังไปบินหากินด้วยกันผลที่สุดก็ลลงไปเจอนายพันเนี่นะออพอนายพันกระตุกตาขายขึ้นมาทัานนั้นแหละนกฝูงนั้นก็อ้าวใครเก่งเบ็ดเลซิคือมันบินไม่พร้อมกันเลยท่านผลที่สุดก็เลยหาหัวหน้าไม่ได้ที่า น, น นนายพานกระตุก ข, ขึ้นมาแลวหาหัวหน้าไม่ได้ผลี่สุดก็เลยนายพานกันรวบตาขายขึ้นมาแม่ไม้เลียวเขากะทบนกเหล่านั้นขึ้นมาก็เลยเอาไปทอดลงกระทะทั้งหมดเเป็นอาหารอาร็จอร่อยของนายพานเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าว่าคนในชุมชนใดก็ตามถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วเอาตัวรอดได้แต่ว่าคนในชุมชน แตกแยกสามัคคีกันจะหาความสงบผาสุกไม่ได้การอยู่ด้วยกันต้องมองกันในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่เหตุผลแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็พร้อมที่จะยินดีให้อภัยซึ่งกันและกันทีเขาทีเราบางทีเราอาจจะผิดพลาดไปบ้างบางทีเขาอาจจะผิดพลาดไปบ้างถ้าหางว่าเราให้อภัยกันนั่นแหละความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเรา ในชาดกพระพุทธเจ้าท่านสอนในหลายๆอย่างในเมื่อเป็นหัวหน้าหัวหน้านี่จะใช้ลูกน้องก็ต้องคิดซะก่อนว่าลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมีขีดความสามารถ แ, กแตกต่างกันถ้าเราใช้ไม่ถูกความหายยนะก็จะมาสู่ตัวผู้ใช้หรือว่าชุมชนหรือว่ากลุ่มนั้นได้เหมือนกันเพราะฉนั้นก่อนที่จะใช้ลูกน้องเนี่ยต้องดูซะก่อน ดูหน้าดูหลังดูขีดความสามารถของแต่ละคนพระพุทธองค์ท่านก็ได้ยกเป็นชาดกขึ้นมาอีกเหมือนกันนะนชาดกนี้สมัยหนึ่งนะมีนักขัดตะเลิกคือเดือนส2องเพนเขาจะมีงานนายอุทยานที่เฝ้าสวนอุทยานมีลิงฝูงใหญ่นนะลิงอูรังกุตังที่กินอาหารที่ผลไม้ลากไมอ้อยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ในสวนอุท ย, ยานนายอุทยานนันก็ปลูกต้นไม้เสริมอยู่ตลอดอเพื่อให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ว่างั้นแนหะแต่วันนั้นก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เอเรากับคณะเนี่ยพนเฝ้าสวนเนี่ยจะไปเที่ยวงานเดือนสิบสองเพนเหมือนกับไปเที่ยวงานปีใหม่อย่างนั้นนะอ่ะปีใหม่ที่พวกเขาจัดขึ้นมาพวกใครๆครเขาอยากจะไปว่างั้นนะแต่เราจะให้ใครเนาเฝ้าสวนนาะ แต่ลิงอุลังกุตังมันก็อยู่ในสวนนี่มันก็พอจะรู้เรื่องอยู่นะมันพอที่จะสอนได้อยู่บางทีเราก็ให้มันลดน้ําสวนมันก็พาลูกน้องลดรักษาสวนให้ได้อยู่แต่เราคงจะฝากกับลิงอูลังกุตังนี่น เ, เป็นผู้ดูแลสวนเหมือนกันนายอุทยานกขเจตนาดีเหาือนกันแต่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าลิงเหล่านั้นมันจะมีปัญญามากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าตัวเองอยากจะไปเท่านั้นเอง เลยเรียกหัวหน้าลิงใหญ่มาลิงอุรังกุตังมาเออหัวลิงพวกเราเน่ยจะได้ไปเที่ยวงานนั ก, กษัตริย์นะเดือนสิบสอเพนเจดวันแล้วก็ขอให้แกเนี่ยลดน้ําต้นไม้แทนเรารักษาป่าแทนเรานะเพราะว่าต้นไม้อยู่ในป่านี่ผลละหมากลากไม้ในป่าก็พวกเธอก็กินมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลานี่ให้รักษา สวนป่าด้วยกันนะรับได้ไหมลิงมันก็เกือบจะรู้ภาษาคนอยู่แล้วมันก็ทําปากปุมบปุมบปุมบับรับได้หัวหน้ามันก็รับเหมือนกันก็สั่งเอาวิธีการลดน้ําทํายังไงลดให้ดูซิมันก็เอาลดน้ําให้ดูอีกเออใช้ได้อให้มืองบอกบริวารของมือง้าให้รักษาอย่างนี้แหละจนกว่าค่าจะกลับมานะกุลังกุตารางนะ้า มันกระทำปากมุมหมอบมุมหมอบมุมหมับมันเลยรับมันงั้นได้พอเสร็จแล้วเออเห็นมันทําให้ดูแล้วได้เรื่องล่ะดีล่ปะป่อพวกเราไปเที่ยวนักกษัตริย์แต่จากนั้นก็ไปเที่ยวทีพอไปเที่ยวได้เจ็ดวันพอกลับมาต้นไม้ตายหมดทีเพราะเหตุไรพ่อเลิงหัวหน้าเลียงบอกว่าเวลาลดต้นไม้เนี่ยลดน้ำเนี่ยมันจะถึงรากมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนั้นสู่เจ้า ต้นใหญ่ต้นน้อยเนะี่ยต้นจะให้รถเสมอกันไม่ได้หัวหน้าลิงมันบอกนะเพราะฉะนั้นต้องถอนขึ้นมาดูซะก่อนถอนขึ้นมาแล้วยังค่อยลดน้ําเออมันจึงจะรู้ได้ว่ามันถึงแล้วไม่ถึงรากของมันพอในเวลามันถอนขึ้นมาต้นไม้ก็ตายหมดใช่ไหยละ่ะเออทีนี้พอเนะนอะนายอุทยานมาเห็นแล้วก็เออเป็นลมเลยว่างั้นเถอะต้นไม้ตายหมดเลยเพราะเหตุไรเพราะลิงมันถอนรากขึ้นมาซะ ก, ก่อนมันค่อยลดน้ํา เพื่อจะให้น้ำถึงรากของมันเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่านี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะใช้ใครก็ตามเมื่อเราเป็นหัวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนว่าเขาทาหน้าที่นี้ได้หรือไม่เขาพร้อมที่จะทาหน้าที่นี้ได้หรือไม่เขามีสติปัญญาพร้อมที่จะทาหน้าที่นี้ได้หรือไม่เพราะนั้นที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะใช้ลูกน้อง อันนี้ที่เราจะนำมาใช้ในยุคปัจจุบันหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์อย่างมากเหมือนกันก่อนที่จะใช้คู่ใช้คนใช้ใครทำงานก็จะต้องคิดสักก่อนแต่เมื่อเป็นลูกน้องอย่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกน้องเมื่อเขามอบหมายหรือมอบการงานให้ทำให้พวกเราถือว่าอย่างวัดหลวงพ่อเป็นตัวอย่างนะที่มาอยู่บวชวัดหลวงพ่อเนี่ยมีหลายระดับแต่หลวงพ่อบอกว่า ในห้องน้ําเอย่าไปถือว่าเป็นของต่ําถ้าเป็นของต่ําตัวเองจะเข้าไปใช้ไปใช้ที่อื่นแต่ในเมื่อเข้าไปใช้พวกเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ว่าจะให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับผิดชอบไม่ได้หลวงพ่อเองเหมือนกันเมื่อลุงพ่อเข้าไปหลวงพ่อก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนออกมานี่แหละให้พวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันรักษาไม่ว่านาสถานที่ใดงานไหนก็ตามถ้าว่า คณะสงละหมูพวกเพื่อนมอบหน้าที่ให้งานไม่ใช่งานธรรมดาไม่ใช่งานต่ำงานสูงโดยการทั้งหมด เ, เราคิดดูให้ดีกัแล้วกันอย่างโรงแรมโรงพยาบาลพวกรักษาสวนก็สำคัญพวกปัดควาทาความสะอาดเช็ดถู ก, ก็สาคัญพวกอาหารก็สำคัญสิ่งไหนที่ไม่สำคัญถ้าวักขาดคนทำอาหารสิทั้งโรงแรมเลยทั้งสานักงานเนี่ยตะลีตะเหลือกเหมือนกัน ถ้าคนขาดคนขับรถนะอสำนักงานก็หมดเหมือนกันขาดการปฏิบัติการทำความสะอาดรูด้สิเป็นยังไงเอไม่ใช่ว่าจะนั่งโต๊ะในบริหารเท่านั้นจึงสําคัญมันต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างอย่าไปมองว่างานนั้นสูงงานนี้ต่ํามไม่ได้อย่างศาลาของหลวงพ่อที่เรานั่งอยู่นี่ที่พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่ เพราะอะไรเพราะศาลาเพราะมีความพร้อมเพียงสามาัคคีกันไม่แตกแยกกันแต่หากว่าศาลาแตกแยกกันเนีเสามันก็จะหักคานมันก็จะหักพื้นมันแตกอย่างนี้พวกเราคิดดูก็แล้วกันพวกเราจะมาอาศัยศาลาหลังนี้ได้อย่างไรแต่ว่า ก, กระเบื้องอยู่ข้างบนหลังคานถ้ามันพูดได้นะมันก็จะว่าข่านี่แหละควบคุมหมู่สู่เจ้าให้อยู่ได้ถ้าไม่มีค่าเช่อย่างเดียวเท่านะั้นนะ สูญเจ้าเนี่ยตากแดดตากฝนยผุพังไปหมดนี่ข้าเนี่ยแหละเป็นผู้ใหญ่ควบคุมสูญเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นี่แหละจำเอาไว้นะข้าเนี่ยสำคัญกว่าเพื่อ น, นถ้าว่าข้าวแข็งข้อขึ้นมาอ้าวถ้ากระเบื้องอว่าตัวเองสําคัญไงข้าออกไปเถ้าให้กระเบื้องอยู่ท่านกระเบื้องกระพังโคมอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะข้าวมันมันไม่ค้าไม่ค้ากระเบื้องอยู่นะนี่แหละ อันที่จันทร์ก็เหมือนกันเถอะจันทร์แข็งข้อขึ้นมาเอา้าถ้าว่ากระเบื้องกับข้าวดีข้าพระเจ้าขอถอนตัวล้างขามันก็พังอีกเหมือนกันเนี่จากนั้นคือก็เหมือนกันสะพานค อ, อ, อน ก, นก็เหมือนกันเสาก็เหมือนกันถ้าว่าต่างตัวต่างแข็งข้อขึ้นมาไม่สมัคคีสาลาหลังนี้พวกเราอย่าหวังเลยเอีมีแต่ผุพังไปหมดเพราะเหตุใดเพราะมันแตกสมัคคีกัน เออเพราะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญแต่หัวหน้าอย่างเดียวไม่ได้ให้ความสำคัญมาตั้งแต่ฐานพื้นสรุปแล้วก็คืออาคารหลังนี้มีความพร้อมเพียงสมัครกีกันเออใครทำหน้าที่อะไรก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดตามที่ได้มอบหมายมอบฝังอย่างเสาอย่างนี่ เ, เสาจะต้องแบกหมูให้แข็งแรงที่สุดคานอย่างนี้กับยอมรับแบกหมูให้ดีที่สุดไม้ข้าว แปรก็พร้อมที่จะรับกระเบื้องให้ดีที่สุดนสรุปแล้วก็คือทุกตัวของอาคารต้องรับให้ดีที่สุดเพราะนั้นลูกหลานทำงานในสภาพัดมากน้อยยังไงแค่ไหนความพร้อมเพียงส ม, มัคคีนั่นแหละเป็นหนึ่งถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงส ม, มัคคีกันถ้าว่าสภาพัดมีหัวเป็นผู้ออกความคิดเพื่อปกครองประเทศชาติแล้ว ไม่พร้อมเพียงสมัครีกันเพียงอย่างเดียวท่านน่ะวงแตกเลยว่ากันเถอะอันนี้หลวงพ่อพูดไม่ใช่ว่าพวกเราแตกสมัครีกันนะเอถ้าว่าวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันอวัดหลวงพ่อเป็นผู้สอนศีลธรรมแต่วัดหลวงพ่อแตกสมัครีกันออแล้วเป็นยังไงแคําว่าธทำทำคํำนี้คือหลักเหตุผลคือหลักถูกต้องแต่พูดทำรักษาธรรมทอแต่ว่าไม่มีความพร้อมเพียงสมัครีกกันชนในกลุ่มนั่นก็หาความสงบ พรมเย็นเป็นจุกไม่ได้อันนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนด้วยนะและกับโดยมากลุงพ่อสังเกตเห็นให้ระวังระวังไว้นะที่ลุงพ่อสังเกตคนมีปัญญาคนที่มีปัญญาเสียแหลมโดยมากจะมีโทสะนำหน้าให้พวกเราคิดดูนะโดยมากจะมีโทสะคือความโกรธที่นำหน้าเหมือนกับคนอื่นโง่ไปหมดตัวเองในฉลาด แล้วก็สั่งไปอะไรว่าตัวเองฉลาดทั้งหมดคนอื่นโง่ไปหมดเนะนี่แหละอันนี้คือจุดหนึ่งแหละถึงคนที่โง่เขาก็บอกเอา้ามึงฉลาดก็ทําไปซิข้าโง่งก็อยู่อย่างโง่นี่แหละพอที่ึกตัวเองก็มีแต่โมโหทโถโซงงอกอ่ะมีแต่โกรธให้เขานี่แหละถ้าตามมจริงคนฉลาดคนมีปัญญาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เออหัวไม่โป้งควรใช้อย่างไงนิ้วชี้ควรใช้อย่างไงนิ้วกลางควรใช้อย่างไง นิ้วนางควรใช่ยังไงนิ้วก้อยควรใช้ยังไงฝ่ามือควรใช่ยังไงเออมีดเล่มหนึ่งนะ่ะทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าคนมีปัญญาเออถ้าว่าไม่มีปัญญามีแต่ใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะั่นใช้ไม่ได้นะเออใช้ไม่ได้ไปใช้กับใครก็เข้ากันไม่ได้ทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเราใช้แต่อารมณ์กับปัญญาความรู้มีอยู่แต่มีแต่อารมณ์ ขาดขาดความรอบคอบขาดกันยืดหยุ่นขาดเมตตาขาดคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจพวกเราจะหาความพร้อมเพียงหาความสามัคคีหาความสงบร่มเย็นในกลุ่มในพักในพวกของเราได้ยากนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนที่มาศึกษาธรรมะหรือมาฟังแนวความคิดของพระป่าอย่างพวกลูกหลานทั้งหลายได้เห็นและต่อ น, นี้ไปเมื่อ พวกเราได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมารับรับหนังสือจากหลวงพ่อหลวงพ่อจะแจกเอ็มพ3ใแนวความคิดของหลวงพ่อแจกให้แก่ลูกหลานด้วย mm hmm. เมื่ออยู่ในกรุงเทพถ้ารถติดแล้วก็เอาเสียบแผนอ็มพสข้อในรถเอเอฟังฟังในรถไปด้วย mm hmm. ถามว่าฟังเพลงฟังลําฟังสิ่งไหนเบื่อแล้วก็ฟังเทศหลวงพ่อในป่าหงพงภัยบังเสงวา หลวงพ่อมีความเหตุอย่างไรหลวงพ่อจะแจกเอ็มพีสามให้แก่ลูกหลานจากนั้นก็มีหนังสือต้นตระกูลของพระกรรมฐานคือประวัติของหลวงปู่มั่นและกัปฏิปทาพระทูตองกรรมฐานให้ลูกหลานได้ศึกษาด้วยนะวันนี้เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วขึ้นมารับพอมารับเสร็จแล้วก็เดินชมบริเวณวัดเชโก่อนค่อยกลับถึงอย่างไรยังไงกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่เก่านั่นแหละคงจะไม่ขยับไปที่ไหน ไปช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรมัง้งหลวงพอได้ลาหัวหน้ามาแล้วเนี่ยมามางานโดยตรงอย่แล้วช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรหลวงพ่อว่านะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเป็นสิริเป็นมงคลแก่คณะจตหายาดโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านนะและก็พร้อมการอุทิศส่วนกุศลด้วยที่พวกเราได้มาทําบุญกับวัดวาศาสนาอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายาย บงสาคนายาตญา ต, ญาตมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรนะ